พี่สารุธนในการปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นจะต้องให้จิตใจมีที่อยู่เสียก่อนซึ่งแล้วแต่ว่าจะใช้สิ่งใดเป็นเครื่องล่อให้จิตใจได้อยู่กับสิ่งนั้นได้นานพราะพุทธเจ้าได้ตรัสยกตัวอย่างไว้ถึงสี่สิบอย่างเป็นต้นว่า ในระลึกถึงพระพุทธหรือพระธรรมหรือพระอริยสงฆ์โดยบริกรรมคาว่าพุทโทธธรรมโมสังโฆหรือพุทโธเพียงอย่างเดียวหรือใช้ลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องล่อจิตใจโดยให้มีสติมารู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรียกว่าอานาปานาสติ ลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกสั้นก็รู้ว่าลมหายใจออกสั้นลมหายใจออกยาวก็รู้ว่าลมหายใจออกยาวลมหายใจหยาบก็รู้ว่าลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดก็รู้ว่าลมหายใจละเอียด ลมหายใจบางเบาก็รู ai, ai l ua, l ้ว่าลมหายใจบางเบาจนแทบจับความรู้สึกของลมหายใจไม่ได้ก็รู้ว่าลมหายใจบางเบาจนแทบจับความรู้สึกของลมหายใจเข้าออกไม่ได้หรือหายใจเข้าบริกรรมคําว่าพุทธหายใจออกบริกรรมคําว่าโทหายใจเข้าบริกรรมคําว่าพุทธ หายใจออกบริกรรมคำว่าโธอย่างนี้เรื่อยไปหรือจะบริกรรมคำว่าพุโทโธหรือคำบริกรรมอื่นใดที่เป็นความระลึกถึงพระพุทธธรรมพระ อ, อะริยสงฆ์ก็ใช้ได้ทั้งหมดโดยบริกรรมคำว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธเรื่อยไปไม่ต้องผูกกับลมหายใจเข้าออกให้มีสติรู้อยู่กับคำบริกรรมพุโทโธ พุโทโธหรือคำบริกรรมอื่นใดนั้นต่อนเนื่องกันไปเรื่อยๆหรือบริกรรมคําว่าพุโทโธพร้อมกับนึกถึงพระพุทธรูปไปด้วยก็ได้แล้วแต่จะถนัดเช่นเลือกเอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจก็ให้มีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออก ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกสั้นก็รู้ว่าลมหายใจออกสั้นลมหายใจออกยาวก็รู้ว่าลมหายใจออกยาวขณะใดที่จิตใจไม่มารู้อยู่กับลมหายใจเข้าหรือหายใจออก หรือรู้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธโดยเผอสติในคิดนึกติดตองถึงคนอื่นถึงเรื่องราวอื่นๆถึงอดีตถึงอนาคตก็ให้รู้ตัวรู้เท่าทันลกลับมามีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกอีกให้ต่อเนื่องกันไปไม่ขาดสายหรือให้รู้อยู่กับคำบริกรรม พุโทโธพุโทโธพุทโตให้ต่อเนื่องกันไปไม่ขาดสายถ้ามีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือรู้อยู่กับคําปริกรรมต่างๆเช่นคําบริกรรมพุโทโธอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายจริงๆความคิดนึกติดต ong ปุงแต่งในเรื่องต่างๆก็จะหายไปชั่วขณะหนึ่ง ขณะนั้นจิตอาจจะตกะวางวูบลงไปคล้ายๆกับตกหลุมอากาศก็ไม่ต้องตื่นเต้นตกใจหรือเอะอะไปให้สัแต่ว่ารู้อยู่เฉยๆให้มีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือรู้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายพร้อมๆกับรู้ อาการที่จิตตกผวังวูบลงไปหลังจากจิตตกผวางวูบลงไปแล้วอาจจะเกิดมีอาการขนลุกไปทั่วตัวหรือมีอาการใจสัน่นหรือมีอาการกายเบาตัวเบาคล้ายกับมือเท้าแขนขาลำตัวหัวค่อยๆเลือนหายไปทีละน้อยทีละน้อยหรือเหมือนกับ ลอยเหาะเอินเดินอากาศไปได้ก็ไม่ต้องตกใจหรือเอะอะไปให้สัตว์ปรดูสัตว์ปรรู้อยู่เฉยๆคล้องกับรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกหรือมีสติรู้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายแลว้วอาการต่างๆเหล่านั้นเขาก็าจะแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปเอง ใจจะมีความอิ่มเอิอเป็นสุขอย่างยิ่งขึ้นไปขึ้นไปต่อจากนั้นความสุขใจก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปกลายเป็นใจที่มีความสงบลมเย็นตั้งอยู่ได้นานๆก็ให้อยู่กับความสงบลมเย็นนั้นให้นานเท่านานจนกว่าจิตใจเขาจะถอนขึ้นมาเองเป็นปกติตามธรรมดาขณะที่ ใจิตใจถอขึ้นมาเป็นปกติใหม่ๆนั้นจะทำได้สองกรณีคือกรณีแรกให้น้องพิจารณาถึงลูกสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องญาติหรือเพื่อนที่เป็นที่รักได้ตายจากไปก็ตายแล้วหนึ่งวัน มีสภาพเป็นอย่างไรสองวันมีสภาพเป็นอย่างไรสมวัน4ี่วันหวัน6วันเจวันมีสภาพเป็นอย่างไรต้องแบมือให้คนทั้งหลายมาลดน้ําศพแม้แต่น้ําหยดเดียวก็ไม่อาจติดฝ่ามือไปได้นับภาษาอะไรกับสมบัติภัสดุสารลาบยศทรัพย์สินเงินทองต่างๆด้านย่อมไม่อาจจะเอาไปได้เลยต้องทิ้งไว้คู่กับโลก ต่อไปก้าตึกนึกคิดยีนานได้อย่างนี้ความโลภโมโทรธสันหรือความไม่รู้จับพอก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงจะรู้จับพอรู้จับปล่อยรู้จักวางเจ็บ้างค่อยๆปล่อยวางประชิดและเล็กแน้อยจนใจมีความสงบลมเย็นลงไปได้หลังจากตายครบเจ็ดวันแล้วร่างกายก็จะมีสภาพเน่าเกี่ยวไปหมดทั้งตัวหลังจากนั้น คนต้งหลายก็เอาดอกไม้จันทร์ไปวางในแกนล่างของผู้ตายต่อไปล่างเราก็ต้องเป็นเช่นนั้นไม่อาจเป็นอย่างอื่นไปได้เสร็จแล้วก็เข้าเอาเผาหรือเอาไปฝังแล้วแต่ประเพณีของตนเหลือแต่กระดูกเมื่อเผาออกมาก็จะเหลือแต่เศษกระดูกและขี้เถ้าที่สุดเศษกระดูกทั้งหลายก็กลายเป็นขี้เถ้าทุรี กลายเป็นดินไปหมดสิน้นคนที่จากไปรวมทั้งตัวเราก็ต้องเป็นเช่นนั้นไม่อาจเป็นอย่างอื่นไปได้ให้ตึกนึกคิดพิจารณาเห็นร่างกายของตนที่ถูกเผาหรือถูกฝังไปจนผุพังเน่าเปื่อยกระดูกผลเป็นธุรีดินไปมาจากดินกับพื้นสู่ดินส่วนจิตใจซึ่งเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆก็ดับหายไป กายเป็นความว่างเปล่าไปหมดสิ้นไม่มีอะไรที่จะเหลือให้ยึดมั่นถือมั่นได้ว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราใ้ตึกนึกคิดพิจารณาถึงร่างกายตนเองเปรียบเทียบ ก, ก, กับเท่ากระดูกของคนอื่นๆที่เราได้ไปเห็นมาจนจาติดตาโดยเฉพาะคนที่เรารักก็จะจำติดใจว่าที่สุดร่างกายของเรานี้ก็ต้อง ลมตายลงเล่าเปผยผุพังเหลือแต่กระดูบนทุลีเป็นดินไปหมดสิน้นไม่แตกต่างกันไม่อาจหลีกหนีเป็นอย่างอื่นไปได้ให้นึกกลับไปกลับมาอย่างนี้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายอย่าเป็นนึกถึงหน้าตาถึงความสมพันธ์ที่เคยมีต่อกันหรืออย่าเป็นนึกให้เกิดความเสียใจเช่นนึกว่าเขาไม่น่าตายเลยอายุ อย่างน้อยอยู่เลยหรือว่าเรื่องชิ้นนี้ไม่น่าเกิดกับเราเลยทำไมไม่ไปเกิดกับคนอื่นหรือนึกถึงแต่ความัมพันเก่าๆที่มีต่อกันก็จะทำให้เกิดความเสียใจมากกี่ยืนไปมีแต่ความทุกข์ความเสียใจมีแต่ความเต้าหมองติดผูกพันนานเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีหลายหลายปีจนมีความทุกข์โศกเศร้าเสียใจจนถึงวันตาย ไม่มีประโยชน์อันใดที่จะไปตึกนึกคิดถึงความสัมพันธ์ที่เคยมีต่อกันไม่มีประโยชน์อันใดที่ไปนึกเสียดายวันเวลาที่ผ่านมาเพราะนึกอย่างไรก็ไม่อาจอ ว, วนขึ้นฟื้นขึ้นมาได้มีแต่ทาให้โศกเศร้าเสียใจไปเปล่าๆที่ถูกต้องให้นึกเปรียบเทียบร่างกายของเรา สิ้นตายแล้วจะต้องเน่าเปื่อยผุพังกระดูกทั้งหลายก็ต้องปนเป็นธุรีดินไปเหมือนดังคนดื่นที่เราได้เห็นตอนเก็บกระดูกเก็บเท่ากระดูกล้วนต้องเป็นเช่นเดียวกันไม่อาจเป็นอย่างอื่นไปได้ให้ตึกนึกคิดพยยิจารณาให้ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกว่าเกิดความรู้สึกเป็นจริงเป็นจังใจยอมรับตามความเป็นจริงเมื่อในที่สุด เราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตายแล้วก็ต้องเล่าเผยผูพังต้องให้เข้ามางานศพมาวางดอกไม้จานเราเสร็จแล้วก็เผาหรือฝังเหลือแต่โคงกระดูกที่สุดโคงกระดูกนั้นก็ผูพังเป็นคิดเท่าเป็นทุลีดินไปไปลอยอังคารถูกน้ำตัดเข้าฝังกลายเป็นดินเป็นทรายให้เข้าไปถมบ้านถมแผ่นดินถมถนนต่อไป ส่วนจิตใจนั mm ้นเล่าซึ่งเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ก็ดับไปพร้อมกับลมหายใจเฮือกสุดท้ายเมื่อพิจารณาร่างกายของตนเองจนอุกพังเล่าเปลื่อยเป็นธุลดินไปหมดสิ้นจิตใจก็จะมีความสงบระงับอยู่นานก็อยู่ในความสงบระงับนั้นนานๆไม่ต้องตึกนึกคิดพิจารณาสิ่งใดขึ้นมา จนกว่าจิตใจจะถอนเกับคืนมาเป็นปกติตามธรรมชาติเสร็จแล้วก็ให้ตรึกนึกคิดพิจารณาเหมือนเช่นเดิมอีกจแล้วใจก็จะสงบระงับเป็นเวลานานๆระหว่างนั้นก็ไม่ต้องตรึกนึกคิดพิจารณาใดๆให้อยู่ในความสงบนั้นให้นานเท่านานจนกว่าจิตใจจะถอนคืนกับมาเป็นปกติอีกแล้วก็พิจารณาถึงร่างกายตนเองเปรียบเทียบกับ ความแก่ความเจ็บความตายน่าเปผยภูพังตายแล้วเลอะแต่ที่เต่ากระดูเป็นธูรีดินไปหมดสิน้นไม่แตกต่างจากกาันไม่อาจหลีกหนีเป็นอย่างอื่นได้เป็นเช่นนี้อีกแล้จิตใจก็จะสงบลมเย็นอีกแล้วก็อยู่ในความสงบลมเย็นนั้นนานๆไม่ต้องตึกนึกคิดพิจารณาใดึ้นอีกระหว่างนั้นจนกว่าจิตใจจะถอนืนขึ้นมาเป็นปกติตามธรรมชาติแล้วก็ให้ตึกนึกคิดพิจารณา จนความไปเที่ยงของร่างกายอย่างเดิมอีกให้ทําอย่างเดิมนี้หรอบแล้วหรอบเล่าไม่รู้จักเบื่อหน่ายจนกว่าจิตใจจะยอมรับตามความเป็นจริงเหนือกว่าการตึกนึกคิดยิ่นานจนเกิดความรู้สึกเช่นนั้นจากใจตนเองว่าเราก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องหน้าเปื่อยผุพังกระดูกต้องปนเป็นคีดเท่าเป็นทุรีดินไปอย่างแน่แท้ไม่อาจเป็นอย่างอื่นไปได้ สัพสัตทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นอย่างเดียวกันหมดไม่แตกต่างกันขณะนั้นจะเกิดอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งเป็นปัจจิตตังรู้ได้ด้วยตนเองในกรณีที่พิจารณาแล้วเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายหดหูน้ำตาไหลต้องให้เลิกพิจารณาทันทีเพราะถูกอารมณ์เข้าแทรกแล้วให้เปลี่ยนความสนใจไปเป็นอย่างอื่นสักครู่หนึ่งแล้วตั้งหลักใหม่พิจารณาเอาแต่ความเป็นจริง อย่าให้อารมณ์หดหูเบื่อหน่ายร้องโหมร้องไห้แสกแสงเข้ามาให้ตัมงสติให้มันคงและอย่าคิดไปในทางที่ทำให้เป็นทุกข์คิดในทคิดในทางที่ทำให้ต้องร้องไห้เพราะไม่มีประโยชน์อันใดที่จะไปคิดเช่นนั้นในกรณีที่พิจารณาถึงความตายพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสองขานั้นจะใช้ได้กับผู้ที่เคยได้เห็นดยตาเนื้อ หรือเห็นด้วยนิมิตถึงความไม่เที่ยงนอกเปนือผูพังกระดูกต้องปอนเป็นธุรีดินไปมาแล้วไม่ว่าจะเห็นคิดเท่ากระดูกของสามีภรรยาของลูกของพ่อแม่พี่น้องหรือของเพื่อนหรืออาจจะดีนิมิตปรากฏให้พิจารณาในลักษณะเช่นนั้นจึงเกิดความรู้สึกขึ้นมาจากใจจริงได้อาจไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยตาเนื้อหรือ ปรากฏนิมิตถึงความเน่าเปื่อยผุพังกระดูกนเป็นธุรีดินไปมาก่อนในการพิจารณาก็จะไม่ค่อยเข้าถึงจิตถึงใจจะพิจารณาไปแต่ความแห้งแรงในจิตใจไม่เกิดความรู้สึกออกมาจากใจจริงๆสำหรับผู้ที่ไม่เคยสูญเสียคนที่รักและเห็นความเน่าเปื่อยผุพังกระดูกคนธุรีดินไปเคยไปเก็บกระดูกหลังจากเผาเสร็จแล้วของคนที่เคยรัก หรือเคยเห็นนิมิตถึงความน่าเปิดผู้พังก็จะไม่สามารถปองป่อยวางได้ในกรณีเช่นนี้เมื่อมีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือรู้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธยังต่อนเนื่องไม่ขาดสายจนเกิดปิติราบร้านหรือมีการใจสัน่นเหตุการเสมเหมือนกับหายตัวได้หรือตัวลอยไปได้ ปิติจางหายไปจนกลายเป็นความสุขใจอิ่มเอิบใจความสุขใจเดินหายไปจนเกิดเป็นใจมีความสงบเป็นอุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์มีความสงบระงับนานเท่านานเสร็จแล้วความสงบระงับนั้นก็ไม่อาจตั้งอยู่ได้ตลอดไปเพตกอยู่ใต้กฎนิจังทุกข์กาณาตาจิตใจก็ต้องกลับคืนสู่ความเป็นปกติในขณะที่จิตใจกลับคืนสู่ความเป็นปกติใหม่ๆ ให้มีสติรู้อยู่ที่ใจดูอยู่ที่ใจเพ่งอยู่ที่ใจเห็นอยู่ที่ใจกำหนดอยู่ที่ใจพิจารณาอยู่ที่ใจให้เห็นว่าหรือรับรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่รับรู้ได้โดยใจนั้นเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาและสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเห็นแต่เพียงว่าความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆที่รับรู้ได้โดยใจนั้น เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาแล้วถึงทั้งหลายเหล่านั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่จะคงที่ให้หยึดมั่นถรือมั่นได้ว่าเป็นเราเป็นตัวเราหรือเป็นของเราให้เพ่งพิจารณาเห็นความเป็นจริงอย่างนี้ติดกรณีที่ยังไม่เห็นเกิดดับของความรู้สึกหรือคิดอารมณ์ต่างๆก็ให้บอกแก่ใจทุกครั้งที่รับรู้ถึงความรู้สึกความลึกความคิดอารมณ์ต่างๆ ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสองขารที่ไม่เที่ยงหลีกเลี่ยงเสียคนอนัตตาไม่ใช่ตนอยากกังวลว่าร่างกายหรือบอกสั้นๆจะเพียงว่าเป็นสองขานที่ไม่เที่ยงไม่อาจยึดมั่นถรือมั่นได้ทุกความรู้สึกทุกความนึกทุกความคิดความตึกความตองความปงแต่งและอารมณ์ต่างๆที่รับรู้ได้ด้วยใจให้บอกทันทีเมื่อแรกรับรู้บอกทันทีเมื่อแรกมีอาการบอกทันทีเมื่อต้นคิดหรือเมื่อรู้ว่าคิด บอกกับอาการเหล่านั้นบอกกับความรู้สึกเหล่านั้นบอกกับความคิดนึกตึกตองปรุงแต่งและลมเหล่านั้นว่านี้เป็นสังขารปรงแต่งเป็นสังขารที่ไม่เที่ยมให้ละเสียปล่อยวางเสียทันทีทันใดบอกอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าใจจะยอมรับตามความเป็นจริงรู้สึกเช่นนั้นด้วยใจให้บอกให้เร็วละให้เร็วบอกให้เร็วละให้เร็วอย่างนี้เรื่อยไปหรือบางท่านไม่ถนัด ที่จะใช้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเครื่องล่อจิตถนัดที่จะรู้ต่อทานความคิดรู้ต่อทานอารมณ์ในทุกขณะปัจจุบันในชีวิตประจําวันกระทบอะไรทำตากระทบอะไรทำหูหรือคิดนึกสิ่งใดขึ้นมาแล้วเกิดอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นาาราคะโธสัจโหะมุขอิดฟุ้งซ่านลาคาญใจวิตกกังวลลังเลสงสยัยตัดสินใจไม่แน่นอนหรือหดหู่ท้อแท้เบื่อเซ็งก็รู้ตัวรู้าทา่อทานทันที เลยเปลี่ยนสนใจไปเป็นอย่างอื่นทันทีพร้อมๆกับเคลื่อนไหวทางกายหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเช่นกระพิษตาพิกมือขยับแขนขาขยับกายลุกไปทําอะไรเสียทันทีไม่นั่งแช่นอนแช่อยู่ที่เดิมในขณะที่เกิดอารมณ์นั้นให้รู้ตัวรู้เตาทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นให้เร็วๆขยับตัวให้เร็วๆพร้อมกับเปลี่ยนความสนใจไปเป็นอย่างอื่นเสียทันทีในขณะนั้นแล้วก็ปล่อยวางไป เมื่ออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้มรสกายสัมผัสหรือตึกนึกคิดปุงมแต่งขึ้นมาเองก็ให้รีบดูตัวรู้เท่าทันขยับร่างกายหลอมกลับเปลี่ยนควาสนใจไปเป็นอย่างอื่นทันทีทำอย่างนี้ให้เร็วๆทุกครั้งเมื่อเกิดอารมณ์ไม่นั่งอยู่นิ่งๆนอนนิ่งๆนอนแช่เยอ ย, อย่างนั้นจะถูกอารมณ์ต่างๆกดทับ เมื่อเกิดอารมณ์แล้วจะต้องไม่เก็บกดไว้ภายในมิฉะนั้นจะระเบิดออกอาการภายหลังยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นหรือกลายเป็นคนเก็บกดไปฝึกให้เกิดความชํานาญทุกครั้งที่ตายลูกและเกิดอารมณ์หรือฟังเสียงแล้วเกิดอารมณ์ใดๆหรือตึกนึกคิดปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเองในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบัน แรกๆเมื่อรู้ต่อทันแล้วให้ขยับร่างกายและเปลี่ยนความตนใจลุกกระทำอะไรเสียทันทีอย่ามัวนั่งแช่นอนแช่อยู่เสร็จแล้วเมื่อฝึกจนเป็นความชํานาญแล้วต่อไปก็ไม่ต้องขยับร่างกายเปลี่ยนความตนใจไปเป็นอย่างอื่นอีกต่อไปเมื่อฝึกชํานาญขึ้นก็จะรู้ตัวรู้ทั น, นความคิดองแต่งที่ทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆเร็วขึ้นเพียงแค่รู้ท่อทันความคิดองแต่งที่ทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆหรืออารมณ์ต่างๆที่ก็ต้อง มาทาตาหูจหมูกลิ้นกายใจก็จะดับหายไปทันทีโดยไม่ต้องขยับไปเดินเกินกายหรือลุกไปทำอะไรอีกก็ฝึกรู้ท่าทานให้เร็วๆตั้งแต่เริ่มต้นคิดปรุงแต่งที่ทำให้เกิดอารมณ์หรือรู้ท่าทานให้เร็วๆเมื่อเริ่มต้นมีอารมณ์เมื่อตากระทบรูกหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเศษสีใดๆรู้ตัวให้เร็วๆรู้ท่อทานให้เร็วๆแล้วละเสียปล่อยวางไปเสีย ความคิดปรุงแต่งที่ทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆและอารมณ์ต่างๆก็จะดับหายไปจากใจไม่สามารถตั้งอยู่ใจในใจได้นานใจก็จะไม่ทุกข์ทุกอย่างนี้จะเป็นความชำนาญให้รู้ให้เร็วละให้เร็วรู้ท่อทานให้เร็วๆแล้วปล่อยวางไปทันทีรู้ท้อทันให้เร็วๆแล้วปล่อยวางประเด็นทีต้องขยันมันฝึกด้วยความเพียรอดทนอดกั้นอย่างยิ่ ง, ง, งทุกขณะปัจจุบัน ทั้งยืนเดินนั่งนอนทุกอรยาบทก็ฝึกเช่นเดียวกันอย่าว่างเว้นก็จะเกิดความชํานาญในการมีสติรู้เท anyway. ่าทันความคิดปรุงแต่งที่ทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆหรือรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาทางตาอวัยวจมูกลิ้นกายใจได้เร็วขึ <Yes. S 1> ้ occur, นเร็วยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนความคิดปรุงแต่งที่ทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆหรืออารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาทางตาอวัยวจมูกลิ้นกายใจไม่อาจตั้งอยู่ในใจได้นาน และจะต้องไม่เข้าไปถือสาความคิดปรุงแต่งที่ทําให้เกิดอารมณ์เหล่านั้นหรือเข้าไปถือสาอารมณ์ที่เข้ามาทางตาอวัยวะรลิ้นกายใจเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ราคาโทสะโมหะมุทิตทุงซาลําลคาญใจเบื่อเสงกุ้มท้อแท้อดหูซึมๆึเศร้าเศร้าเหนื่อยหรือวิตกกังวลเศ้าหมองไม่ผ่องใสหรือลังเลสงสัยตัดสินใจไม่แน่นอนให้มีสติรู้ท่าทานแล้วปล่อยวางไปมีสติรู้ท่าทานแล้วปล่อยปล่อยวางไปทันที ไม่ต้องไปตำหนิความคิดปรุงแต่งแลอารมณ์เหล่านั้นในกรณีที่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกหรือรู้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโตแล้วเพอสติไปตึกนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องใดๆทั้งอดีตทั้งอนาคตเรื่องของคนอื่นสิ่งอื่นหรือเรื่องหน้าที่การงานหรือเรื่องเกี่ยวกับตัวเองเป็นเวลานาน จะลืมลมหายใจเข้าออกหรือลืมกรรบริกรรมพุโทโธไปกรณีอย่างนี้เรียกว่าขาดสติก็จะขาดทั้งสมาธิขาดทั้งปัญญาไปด้วยเพราะสติหายสมาธิหายปัญญาหายสติมีสมาธิมีปัญญามีสติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญา ดังนั้นเมื่อสติหายคือแอดตึกนึกคิดุงแต่งไปถึงเรื่องใดๆทั้งเรื่องของคนอื่นเรื่องของตัวเองทั้งอดีตทั้งอนาคตในเรื่องที่คนอื่นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับตัวเราหรือตัวเราไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่นจนลืมว่ากําลังฝึกสติรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือรู้อยู่กับคําบริกรรมต่างๆเช่นคําบริกรรมว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทพธโธเป็นต้น ก็ให้รีบมีสติรู้ตัวรู้ทันกับมามีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าสั้นรู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจเข้ายาวรู้ว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกสั้นรู้ว่าลมหายใจออกสั้นลมหายใจออกยาวรู้ว่าลมหายใจออกยาวลมหายใจหยาบรู้ว่าลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดรู้ว่าลมหายใจละเอียดลมหายใจบางเบารู้ว่าลมหายใจบางเบา ให้มีความรู้อยู่กับลมหายใจหรือมีความรู้อยู่กับคําบริกรรมต่างๆเช่นคำบริกรรมพุทโธอย่างต่อเนื่องไม่ให้ขาดสายข้างใดที่เผลอสติลืมรู้อยู่กับลมหายใจก็ออกหรือลืมรู้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธเผลอติดไปตึกนึกคิดปรุงแต่งถึงคนอื่นสิ่งอื่นเรื่องราวอื่นๆทั้งเรื่องอดีตและอนาคตอีกรวมทั้งหน้าที่การงานต่างๆเป็นเวลานานจนลืมลมหายใจก็ออกลืมคําบริกรรมพุทโธไป ก็มีสติรู้ตัวรู้ทัทนขึ้นมาทันทีเรากลับมามีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือรู้อยู่กับกรรมบริกรรมอื่นๆเป็นต้นว่ากรรมบริกรมรมพุโทโธพุโทโธพุทโธใหม่อีกอย่างนี้เรื่อยไปแต่ในกรณีที่จิตใจตึกนึกคิดปรุงแต่งไปถึงคนอื่นๆสิ่งอื่นๆเรื่องราวอื่นๆจังอดีตและอนาคตรวมทั้งเรื่องการงานต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกหรือรู้คำบริกรรมพุทโธอยู่อย่างนี้ไม่เรียกว่าสติขาดก็ให้รู้ให้มีสติรู้ต้องลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือรู้คำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพร้อมกับรู้ความตึกนึกคิดปรงแต่งไปพร้อมๆกันโดยแม่พยายามไปกําจัดให้ความตึกนึกคิดปรงแต่งนั้นหายไป ให้รู้ไปพร้อมๆกันทั้งลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือคําบริกา ร, รมพุทโธและรู้ทั้งความตึกนึกคิดปรุงแต่งในขณะปัจจุบันนั้นๆไปพร้อมๆกันยกเว้นเสียแต่ว่าจิตใจแอบตึกนึกคิดปรงแต่งไปถึงสิ่งใดๆเป็นเวลานา น, านแล้วจนลืมรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือรู้อยู่กับคําบริการมพุทโธเป็นเวลานานมากแล้วจิงค่อยรู้ตัว ซึ <unlucky. S 2> ่งระหว่างที่ลืมลมหายใจเข้าออกและลืมคําบริกรรมพุทโธนั้นเรียกว่าสติขาดไปในช่วงระหว่างที่ลืมลมหายใจเข้าออกหรือลืมคำบริกรรมพุทโธก็ให้รีบมีสติรู้ตัวรู้ททันแล้วกลับมารู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือรู้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธอีกเช่นเดิมแต่ถ้าระหว่างที่มีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือมีสติรู้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธ แล้วเกิดความไม่ชอบใจไม่พอใจสิ่งใดๆมีความดิลน์ผักไสในสิ่งนั้นทั้งภายนอกและภายในมีความหงุดหงิดลาคาญใจดิลน์ผลักไยเวทนาต่างๆเช่นความเจ็บปวดเมื่อยต่างๆหรือมีความหงุดหงิดไม่พอใจลาคาญใจดิลน์ผลักายอาการต่างๆที่เกิดความรู้สึกอึดอัดตื้นตื้อไม่โปรง่งไม่โล่งไม่เบาวสบาย โดยมีความอยากให้มีความโปรง่งมีความโล่งมีความเบามีความสบายให้ต่อเนื่องกันไปไม่ขาดสายจนลืมลมใจเข้าออกลืมคําบริกรรมพุทธโธเอาแต่งมดงุดอิดดิลนผักใส่สิ่งต่างๆหรืออาการต่างๆพระพุทธองค์ตรัสว่าสองทางนี้ไม่ควรดําเนินไม่ใช่ทางแห่งความทุกข์ให้เดินทางสายกลางหรือมัจจมาปฏิปทาคือสักว่าสักแต่ว่ามีสติรู้ อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือมีสติรู้อยู่กับคําบริกรร ม, มออพุทโธพุทโธหรือมีสติรู้อยู่กับคําบริกรรมอื่นๆพร้อมๆกับรู้ความคิดนึกติดตอมปรงแต่งที่เกิดขึ้นแตกซ้อนขึ้นในระหว่างปัจจุบันนั้นๆโดยรู้ทั้งลงมหายใจเข้าออกหรือรู้ทั้งคําบริกรรมและรู้ทั้งความตึกนึกคิดปรงแต่งไปพร้อมๆกัน ต, ตลอดเวลาไม่เผลอเผลนหลงลืมคําบริกรรม หลงลืมลไมไาใจเขาออกหรือหลงลืมคำบาริกรรมพุทโธหรือคมบริกรรมต่างๆทั้งไม่เข้าไปดิหลวนผักใสบุหดหงิดลาคาญใจสิ่งใดๆอาการใดๆในขณะปัจจุบันนั้นทุกขณะปัจจุบันวางใจเป็นกลางสัตตวรู้สับแตวดูสับต่ว ร, ว ร, วรู้อยู่เฉยๆหรือสัตวดูสับตวรู้อยู่เปล่าๆหรือสับแต่ว่าต้องวางใจเป็นกลาง ไม่เออียงเพลิดเพลินใจติดใจยินดีเพลิดเพลินเจริญใจไปกับสิ่งใดหรือไม่เข้าไปมุดจิตลำการใจดิลนับสายสิ่งใดวางใจเป็นกลางเป็นอุเบกขาทห่าเพลิเพลินหรือมีความเพลินใจติดใจยินดีไปกับรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสเศษ ส, สีหรือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ใดๆในขณะปัจจุบันดังนั้นก็ให้รีบมีสติรู้ตัวรู้ท ท, ทันทันที ถ้าอารมณ์เหล่านั้นยังมีความพัวพันใจก็ให้ใช้วิธีการเคลื่อนไหวทางกายละลายอาการทางจิตกระพริบตาพิกมือพิกเทา้าขยับแขนขาลุกไปทําอะไรทันทีอย่ามัวนั่งนิ่งนอนนิ่งๆ่งนั่งแช่นอนแช่อยู่เมื่อสิ่งต่างๆและอารมณ์ต่างๆหมดอิทธิพลต่อใจแล้วไปกลับมามีสติดูอยู่กับลมใจก็ออกหรือรู้อยู่กับการบริการพุโทโธพร้อมๆกับรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส และรู้ความรู้สึกนึกิดอารมณ์ต่างๆไปพร้อมๆกันต่อไปเมื่อฝึกจนมีความจานาญมีความแคล้วคล่องในจิตใจแล้วก็จะเห็นความคิดเห็นอารมณ์ต่างๆได้ลดเร็วยิ่งขึ้นตั้งแต่ต้นคิดต้นอารมณ์กรณีอย่างนี้ความคิดและอารมณ์ต่างๆก็จะไม่มีที่พ้นต่อใจไม่ตั้งอยู่ในใจได้นานพอรู้ท่อทันความคิดและอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นก็จะดับหายไปจากใจใครยฝึกสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออก โดยรู้อยู่กับคำบริกรรมพุโทโธพร้อมๆกับรู้ความตึกนึกคิดปรุงแต่งและอารมณ์ที่เริ่มแสดงอาการหรือเริ่มแสดงปิกยาหรือเริ่มแสดงปรการรปกฏการ์ขึ้นมาภายในใจทุกขณะปัจจุบันยังต่อเนื่องไม่ขาดสายจนไม่ขาดสติเพลเพลไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือความรู้สึกนึกคิดตึกตอนปรุงแต่งหรืออารมณ์ใดๆเลยมีความคิดปรุงแต่งและมีอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันก็รู้ตัวรู้เท่าทานทันที ทำให้ครอไปยินหลนผักใส่หงุดหงิดลําการใจกับความตึกนึกคิดปลงแต่งอารมณ์ใดๆหรืออาการใดๆในขณะปัจจุบันนั้ น, น, นสามารถวางแจกเป็นกลางได้ตลอดเวลากรณีอย่างนี้เจ้าตัวก็จะรู้ตัวเองเหลือแต่มีตติรู้ตต า, านความตึกนึกคิดปลงแต่งที่ทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆโดยรู้ตต า, านอารมณ์ต่างๆในขณะปัจจุบนันทุกขณะปัจจุบนันตั้งแตเแงาา่เริ่มแสดงอาการเริ่มแสดง ความคิดและอารมณ์รู้ต่อทานความพอใจความไม่พอใจความอยากความไม่อยากความที่ลนผับไสในขณะปัจจุบันสุกณะปัจจุบันตั้งแต่จิตใจเริ่มแสดงสติยาเริ่มแสดงอาการเมื่อรู้ต่อทานความตึกนึกคิดปรุงแต่งและอารมณ์ต่างๆความพอใจความไม่พอใจความอยากความไม่อยากความยินดีความยินร้ายความที่ลนผับไสก็จะดับไปทันทีเพราะสติรู้ตัวรู้ต่อทานเร็วก็จะละได้เร็ว ถ้ารู้เท่าถันช้าก็จะละได้ช้าความตึกนึกคิดปรุงแต่งและอารมณ์ต่างๆความพอใจความไม่พอใจความยินดียินไลก็จะมีอิทธิพลต่อใจได้มากแม้แต่รู้ตัวรู้ท้อถันแล้วอารมณ์หรือความพอใจความไม่พอใจความยินดีความยินไลต่างๆก็จะยังมีอิทธิพลต่อใจตั้งอยู่ในใจได้นานมาฝึกสติให้เข้มแข็งให้รู้ตัวรู้ท้ันเร็วๆตั้งแต่เริ่มต้น นึกนิคิดปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์ต่างๆหรือตั้งแต่เริ่มต้นเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจในขณะปัจจุบันนั้นๆความนึกนิคิดปรุงแต่งและอารมณ์ต่างๆก็จะดับหายไปได้เร็วขั่นไ่ทำวิถีผลต่อใจฝึกสติไปอยู่กับรู้รู้อยู่ที่ใจดูอยู่ที่ใจเห็นอยู่ที่ใจกำหนดอยู่ที่ใจเพ่งอยู่ที่ใจพิจารณาอยู่ที่ใจรู้ทอทัน ความตึกนึกคิดปรุงแต่งที่ทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆให้ลดเร็วหรือให้รู้ต่อทานความพอใจความไม่พอใจความอยากความไม่อยากความยินดีความยินร้ายในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันให้เร็วๆตั้งแต่เริ่มต้นแสดงอาการความตึกนึกคิดปรุงแต่งความพอใจความไม่พอใจความยินดีความยินร้ายความอยากความไม่อยากก็จะดับหายไปในทันที